ขอใะสงบขอัาตุรับเป็นเมธา่ารับเป็นทุกทุกอุเบก้าดับเป็นทุกขังว่าทุกขังว่าอาทุขมาทุกขั ง, กขงวา เสียงเป็นอายุธนภายนอกหูเป็นอายุธนพายในเสียงเป็นโลคภายนอกหูเป็นโลคภายในเป็นสังขารพายในเสียงเป็นสังขารพายนอกเกิดดับเป็นเหมือนกันเฮ้น้าายในมีอะไตาเป็นต้น อาณาธน์ภายนอกก็มีรูปเป็นต้นวิญญาณมีจัขู่ินญาณเป็นต้นกระทบกันเรียกสัมปัตตก็ตามแต่วก็เกิดขึ้นหาเรืาาราหาหาร่างไม่ได้แต่ก็แปรปวนหาเหว่างไม่ได้แต่ก็รับผาดางไม่ได้ผู้เจริญพาวนาจงาจรูงงต้ตามเป็นจริงจงปฏิบัติตามมันจริงจงสิ้นความสงสัยตามเป็นจริงนี่ปัจจานดะ้นานปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิไม่ใช่สมาธิวัตตอดีตคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมารมณ์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมารมณ์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมารมณ์ที่กําลังเป็นอยู่จึงเหล่านี้ก็พร้อมกันเกิดพร้อมกันแปงป่วนพร้อมกันดับไป หาระหว่างไม่ได้ผู้รู้ตามจริงก็ต้องรู้ตามหาระหว่างไม่ได้นีรางปัญญาที่พัฒนาอดีตคืออะไรคือรูปขันน้ำขันที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือรูปขันน้ำขันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือรูปขันน้ำขันที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไร คือรูปประโลกอรูปพระโลกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือรูปประโลกอรูปประโลกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือรูปประโลกและอรูประโลกที่กำลังเป็นอยู่มีความหมายอย่างนี้อดีตคืออะไรคืออันนี้จังที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออันนี้จังที่ยังมมาถึงปัจจุบันก็คืออันนี้จังที่กาลังเป็นอยู่ เธอจงรู้ตามเป็นจริงเธอจงปฏิบัติตามเป็นจริงเธอจงหลุดพ้นความหลงตามเป็นจริงข้ามทะเลหลวงซักเธอข้าเธอข้ามทะเลหลวงทั้งพวงแล้วเธอก็ข้ามโลกอยู่ในตัวเธอก็ข้ามอาดีตอนาคตอยู่ในตัวอดีตอนาคตมีเริงไหม มีมีแต่ชื่อมันแต่มันล่วงไปแล้วแต่มันยังยังมามาถึงเอาปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาคือปัจจุบันของพระโสราวันปัจจุบันของพระสกคาคาร์ยปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระอรหันต์ปัจจุบันสี่ชั้นนี้มีคุณค่าต่างกันมากปัจจุบันพระอรหันต์ที่เอามาใช้ เป็นเออปัจจุบันที่สอนอุปาทานทั้งพวงแล้วปัจจุบันของพระสวัสดาบาลเป็นปัจจุบันที่พน้นกิเลสเป็นเอกเทศพระอนาคาคาพะสกท า, าคามีกรรมือนกันพระอนาคามีกรมนันการเป็นปัจจุบันพระอรหันเป็นปัจจุบันที่พ้นแล้วโดยชิ้นเชิงไม่เลอเศษเป็นมหาสมมาเวมุติพระส ว, วัสดิบาลบัณฑ์เป็นเวมุติเอกเทศ แต่เข้าสู่ประตูภันยิปานแล้วแต่เป็นยมุติเป็นเอกเทศยมุติของพระสวดารันไม่ไม่ขบวนคืนมีแต่แต่ข้าวหน้าพระสักค า, าคามีขมันกันพระอนาคามีขมันกันส่วนพระทหารจบแล้วเรียนจบยมุตแล้วนะัโมพระสวดารันนัโมแปลว่าน้อมนอมนัโมพระสวดารันเะป็นนะัโมเอกเทศนะ้นะนะนะนอบน้อม กิเลสที่หลุดไปเป็นเอกเทศพศระทัศนาคามีอนาคามีก็เหมือนกันส่วนพระหจัจบแล้วเรียนนโมจบแล้วพุทธังสนนังขส า, าวิของพระโสดาบันเป็นสนธคมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาที่ยืนยันได้ในสุภสิปปโนและก็มีสีชั้นเหมือนกัน ชั้นสัาคาอน า, า, อน า, าคาคเพราะว่าพุโทโธเป็นผู้รู้ผูร้รู้ก็มีสี่ชั้นเหมือนกันผู้รู้ในพระสุวรรบันผู้รู้ในสักขาคาผู้รู้ในอนาคามีผู้รู้ในพระนารหันผู้รู้ในพระนารหันรู้จบแล้วทั้งรู้ด้วยทัศนานุตริยเห็นเยี่ยมด้วยปฏิปทานุตริยปฏิบัติเยียยยเย่ยมด้วยมีมุตตานุตรยะค้นเยี่ยมด้วยโดยไม่เหลือ พ่นเยี่ยมของสุเจปานโนกพะพ่นเยี่ยมเป็นเอกเทศอุชุยายะสามีก่อนอุชุยายะก่อนเหมือนกันธรรมปฏิสัมพิทาหา้าทีแตกฉานในธรรม ทำแต่ละวัฏวาทส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาแต่ละท่านนโมอันเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานหมดนโมนอบนอมในโลกุตระนอบนอบในพระโสดาบนันอนอบนอบในพระอาคามีนอบนอบในพระอนาคามีนอบนอมพระอรหันต์พระอรหันต์นอบนอมจะไม่มีกิลเลสไม่มาเกิดแก่เก็ดตายอีกเลยไม่มีโรคกดหลงอีกเลยเขารับพระนิพพาน บ้องต้นของพุทธศาสนายังไม่มีฟาราชิกสีตั้งขาที่เสษทุกสามไม่มีอนทยอดสองไม่มีนี่เคลยร์ไิตตีสามสิบไม่มีปจิตตีเขสิบสองก็ไม่มีแม้จะยังยังไม่มียังไม่บัญญัติเสียงสิกขาสิกขาคือเสียงยิ่งอาธิขิตะสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอาธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่ง ยังไม่ทำบัญญัติแต่ก็บัญญัติอยู่ในตัวแต่ไม่ได้ใส่ชื่อนามเพราะเหตุใดพระธรรมจักรขปวัตตนสูตรเป็นสูตรเบืงต้นของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาก็แสดงธรรมจักรก่อนเพื่อนก่อนทำทั้งหลายธรรม จ, จักรนั้นมันมีไตรซิขาอยู่ในตัวเลยมันมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวเลยคืออัคคัญที่โคมโคสสยยะที่ทางสัมมาทิฏฐิ ส, สัมมาสัพพะโปวาจารมันโตอาชีวะวายมุสติสมาธิย่นลงเป็นสามคือตรชิกขาอยู่ในตัวแล้วถึงจะไม่บัญญัติก็บัญญัติอยู่ในตัวแล้วแต่ไม่ได้ออกชื่อเรื่องว่าบัญญัติสมาทิฏฐิของพระสวดาบันสัพพะโปาจารมันโตอาชีวะวายมุสติสมาธิ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 สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรรมาเท่านั้นพอแล้วค ร, รับพระโมกานาสาดิบุตรการหนีจากประเทศอื่นมาอุสมบติพพุทธศาสนามีใครเป็นเป็นเรื่องแี่งอย่างบ้างปัญหานักษมเอกจัดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็าตอบว่ามีภาษาดิบุตรโมกานาเป็นแย่องอย่าง พระองค์ท่านหนีจากสนชัยนาฏบุตรมาเลื่อมใสพระอัศเชิเมื่อเลื่อมสพระอัศเชษแล้วก็เท่ากับว่าเลื่อมใสพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในตัวแล้วพระอัศเชษเทศโดยย่ อ, อให้ฟังท่านก็เข้าใจความหมายเทศอันนี้จังให้ฟังนั่นเองพระสารีบุตรก็เข้าใจความหมายแล้วก็ไปหาพระโมกขารา ไ ป, ไปเจอกันเออวันนี้หนะ้าตาของไส้นักเขาคงจะเห็นทำแล้วกังมาเล่าให้กันฟังบ้างเออเราไปเจอพระองค์หนึ่งชื่ออัสเชิเราได้ฟังท่านทำท่านแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรมรมดาเออเราก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้ไปเถิดเพื่อนไปเถิดเพื่อน ไปหาอาจารย์ของพระอ า, าทิตยเถิดก็เลยเวลาสนชัยนาฏบุตรใดในโลกล้วนใครเป็นผู้เบียดเบียนในพุทธศาสนาะโดยทางตรงก็ตามทางอ้อมก็ตามผลของกรรมพ่อจะตามพันอยู่การตัดสินลงโทษถูกหรือไม่ถูกไม่เป็นปัญหาแต่กรรมและผลของกรรมยังตัดสินเองอยู่เหตุฉะนั้น จึงยอมเชื่อพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีกรรมและผลของกรรมเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาถ้ากรรมและผลของกรรมเป็นของไม่จริงกรรมและผลของกรรมเป็นของจริงเราจึงยอมเชื่อพระพุทธศาสนาและกรรมและผลของกรรมก็มีอยู่ทุกการด้วยแม่นกหนูปูปีกสัตว์ที่รากษา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 พระองค์ที่ถูกแหลมหลาเขาซัดเข้าไปเขาซ่อนซ่อนหอกไว้เขาซัดเข้าไปไ ป, ไปถูกพระองค์เพราะแต่ชาติก่อนท่านเป็นฤาษีถ้านก็ดเดินชักไม่เท่าไปไปถูกหัวกบจายโดยไม่มีเจตนาเพราะท่านมาถึงศาสนาพระพุทธมาพระพุทธเจ้าของเราเขาก็ซัดหออไปถูกท่านนั่นนั่น กรรมที่ไม่มีเกตรตนาเรียกว่าอาสันเรียกว่าพหุกรรมหรือเรีกยกว่ากตาตากรรมกรรมสักว่าทเพราะมันมีเกตยรตินเดี๋ยวท่านจันกรรมมีอะไรเขาพูดรเเดี๋ยวนี้มาทา่ทาตั้งเซนไดอกไีกองหน่งไม่ต้องวัวสาวไ้่ต้องเด็เออมันสะดวกเนาะเมื่อเมื่อท่านนี้รับบาลเนี่ยย่าสูงเมื่อท่านองสูงเนาเขามาทางง่าองสูงบอกอุ้ย พี่ฟอคอยเอ้มันเฮ้ ย, ย, ยมัดเท่านั้นไปท้งวีนวานนี้หมูจักวาบ้านพกกะเอาหงจักบ้านนันนพกหิ้กล่องวะออกไปนี่ไปหนพ่อันคกหิ้กล่องเอาเอาผู้ห้องอ่าวไรทั้งสายมือไปน้ำจนคารุกเลปัด น, นออกไปนี่แล้วแยกไปนี่เลยไปจกมีไปัประบ้านจักสองกิโลที่สากิโ็หอดเขากางบ้านเขากางบ้านเนี่ยแยกสุทะลุไปพุ่นเนมนทางมัน ทลุยกาบ้านอะะใ้ทลุไปทังหัวแล้วไปซอดทะลุออกวัางล้วงผลเออเออนั่นแล้วเออออกข้างผลแล้วเงินคูณกับการท่านสัาอยางไปทั้งวไปแดนโรงงานเนี่ยก่าเอรไปทั้งมาทีั้นคนั่ตองทานที่เขามาวันนี้ต่างดีวดี ไปกลับไปขอด่างตลาดย่างตลาดกับไปทั้งกันอ ah anyway. ่าไปบ่หืบ่หืบ่ไปเนาะไปก็ไปคนละไปก็ไปน้องขอบไปไปน้องขอไปคนท้องขึ้นวกเขาเดียวอืมก็เอาไปซนเนี่ยก็ได้เนาะจะว่านจะห่างข้าก็งอแงแงแรงี่ยข้าองงเนี่ มามามาท่านไปทั้งโมงเข้าไปคงย่อมคงสนี้ไปออกนี้ไปขุนเรื่องตรงธาตุขุนเหรอเป็นขุนเหรอไปเออนั่นเนี้ยไปคณะมนไปสบายล้วเอาดอกซื้อจะตายซื้อมันไปหก่ัมาจะเป็นเข้าถือเข้าแล้วออกไปอดี๋ยวองค์พระพันนาโอ๊ยรักตีนี้เข้ามาท่าน รัฐเบาลต้องผือห้องอาพ่อแม่กันบานไรเงี้มีสุระไปได้ซื่อซื้อซื้อเลขไปหันซื้อเลขไปหันไปเถิดนาผาที่หันหนึ่งเกาหีท่านอ่ะถึงขึ้นว่าอะไรอนเนี้ยมันจะสู้ไปทาโค้งไม่ได้หรอกทำไดีเขา็สิทางแล้วอ่ะห้องเป็นบ่าวอ่ะหัวรอการติดตายละเออว่าเป็นบ่าวเป็นกรรมยังนรกกันเห็ุก็ได้แล้วเกี่ยมตัวไม้เอามาทำวัดขึน่ ผูทอดทำโอ่ทำขเจมาทำวัดวันผทอดโอโข่เน่พานางพู้ทำสงเนี่พานผู้ทำสงเนี่พานผู้ทำสงเนี่ยพลาดสงเนีสงน ก็อ่ะโอเคเล่นไ พ่อท้าพ่อท่านจำลาท่านลายใช้คำว่ามหาเถระพอได้ยินคำนั้นผมก็โอนขึ้นใส่พระสมมาตถุทธเจ้าไม่ได้รับไว้ท่านทั้งหลายฉลาดพูดคําว่ามหาเถระทั้นที่หนึ่งคือพระสมมาตุทัยเจ้าทั้งหลายทั้นที่สองคือพ่อพระเจดทั้งหลายทั้นที่สามอรหันตาีณาตบทั้งหลายทั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายทั้นที่ห้าพระสกทากามีทั้งหลายทั้นที่หกพระสวสดาวันทั้งหลาย เพื่ว่าพวเราทั้งหลายจะทําผิดพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้โดยไายกรรมสามกิจกรมกรมสีมโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบก่อนชาติก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในครังหน้าก็ดีขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจ ง, งโโทรงอภัยให้แก่พวกเราอยู่ทุกเมื่อพ้นทุกชาตพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญย่างยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทิญและระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาก็ดีตามฝ่ายต่าง ได้ทำผิดกันด้วยกายกับสามวจีกรรมี่มโนกรรมสามพากเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทุางใจโลกาจงให้อภัซึ่งกันและกันอยู่ทุกเมื่อไม่มีความผลสุดท้ายพก็รทั้งหลายทุกท่านหน้ากางใโาจงประสบแต่ความสุขความเจริญบวรนพุทธศาสนาของพระสมสัพพะเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อือดหังตุงเนี่หิบพิเนตตานม ยักษ์ฟาฟางกระดังคำบางติสรียนเป็นยัติสุ่มังโรกังพระพาทิฏฐิมุตโตเจนเทวะภะวะตันีนิจังวุาจารย์ตาโัวัติสัพัขงยดียดีพวกม พอคุณยอมพอคุณย่อมขออภัยเขาไปยุปย่นใน ห, หองน้าผู้ขาไปตกรปรอ น, ะออนะออะน ต, ต ะ, ะกันเอาบุญมาหายละเอาทำนะเออลงไปยุ่งทางใตะก้อนกระไรเน้เอต่อมือยุ่งทางใจห่อหองขังนเ้องเห็นหอดฐานพวกนี้อย่งหก็เป็นจริงว่าฝุดไปยุ่งสลาร์หมดเลยมันือนมัตกทีรับ เัอบบเอาบนไ ม, นะม่หายเเอาเเกก้นะคัที่แปลกดีอที่แปมาทั้งน่นเน่มี่าห้องโักแน่นย่งร้าไปได้ยังไแต่ักีอโอ้ผดีแล้วนะตี๋ตี๋แสบโอ้แม่ข้าผดีข้ามันเกินคู่กันในจต่ชีวิตชีิตตายลเนี่ยโดนวิจารกิจย่น มาไปนั่งสูงกังวลนั่งเพื่อนเป็นเดนนั่งบ้านเอาบานนกน้เขาอะไราอะไรเอเออเออเออเอออืมมนี่วันลอยวันหลังบดนี่วันลอยกไว้ปูกกัน่ะนี่ลอยวะหรอนี่ขาตังเหลี่ยมมันมันอยากตีนี่ขาตังเหลี่ยม พวกนันมากหรอากนั้นย่งมาก่างมากเจาองค์สมองค์เออสามองค์ไปอำเรื่องลูาใงานบเ่าคอาหรไหนงไเ่่น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 ใ u นี้เลยเขื่อน e ลีเมตนไหลไันสะนะะะอาทะราตังมารัมตุนุั เทเรภะมะเนนะดาวารัตเยนกตังสามังอภรตังกมตุโนภันเทเทรภะมะเนนะดาวารัตเยนกตังสามังอภรตังกมตุโนภันเ เออไอ้คนไก่นักเอกของตัวไม่เหยียอะไรก็จริงพอเขาบรักษาไว้ก็จะรักษาทำมามีชุมให้ี่เมะทำมีกัรบังทำมาตาเะเอวังตูเทวังตูโดตะปเบประมบจิกาวาปัจชารโตนะสมงมัจจิตโตมังโรกังตบคาเตติอาปามุตวตปันดิมา ยศสัปปังตังคัมังคุเตเลนะปะฮิยติโตมังโลกังปตภาเซติอัปามโตวเวทนีมาิวากันนาทิริปันิจงมุทาปะทายโนจัตตารอธรรมาวัฏฐันติอายุพันโนตังลาภุปันเดปมาให้เอาว่ากอเก่าทันนอยนะว่าก็เก่าเล คนไมต้งผูกเก่ากันนี่มีแค่ห้องว่าผู้เดียวม่มที่ยากนี่สิบอกเป็นเยอ้อะเยอเป็นมีแค่ห้องผูเดียวหอกมุ่มตที่ยานมาจากตั้งแด่นียหลายจังหวัดอยู่บ้หลายรู้หลายจังหวัดรูกันมาอยู่ก็ผู้บาดจันมันจะหาแต่ยากคือได้ผู้ศิษย์ะแสวงหาผู้บาดจัน หายอยู่ตั้งใจมากแล้วค่ะตั้งใจปฏิบัติแน่ละมาอยู่ซื้อๆโดนบวนแล้ไม่นกิดปคุโรช น, น, นเลยเมืเ่อเขาอาใัการเห็ดการท์ำเราพราะหน้ากบพิน โ, น โ, นโนนรโโนนาาลต่ อ, อ, กอกันห้องเห็ดออกตังใจอายุน้ำผูบาอาจารย์อายุเพิ่งแต่งเข่าก็แจ้แล้วคนเมตตาแลวเข้าไว้อาจน้องพ่อมเมตตาเ็นคือ แต่ทำเพนเพียนของเขานี่นะนอนควันอาหารมันบ่ตายบงทีวันนั้ น, น, นมัตายไม่กันว่านอนอดโขกกันได้มีจิตยจะจริงกันตัวแล้ยวผูบาอาจารย์ก็ร่วงละไฟรวงละไฟผู้จีรืึกทอดห้หลังนี้บว่าใครมีมีอยู่แต่มันบ่นมีคุณทําบ่าาเป็นวัตถุละผง <c oughs> นั่นะแต่ว่า ตั้ง้นตั้งตังใจปฏิบัติถ้ามันมีรักที่จะคล้องมันมีจะคล้องไม่มีรักแล้วไปใช้มันก็ห่อนเพราะว่ากิเลศมันอยู่ในแต่ของเขามันโถาจะคล้องอยู่อีกอย่างหนึ่งการมายุนักผู้ใหญ่จันทร์ตั้งใจมาเองมโนคนไม่มโนเขามากย่าติสาดปัญหา กระทุบประเทือนกู้บายจันเข้ารักษาเข้ากระเทาะกันกับเข้ารักษาผู้บายจัอนอยาให้มันกระทุบกระเทือนกันถึงมันมีเข้าไปให้อภัยกันยึดถือกันการคิดการผานมันบอวา่าผูนหน่อยผู้ใหญ่ควมคิดมันมีอยู่ทุกคนแันเมื่อคิดผ่านลงไปแล้วให้ระวังรักษาต่อไปยึิถือยึิถือไป ทิศวะผู้นั้นมาเหตุจังสรนร่วงเขือนเขาจังสรรจังสีู่้นั้นมันก็เป็นกิเลสอันหนึ่งถือว่าเข้าถือซือว่าเข้าถือแก้ใจเขามันบวถือเพื่อนีว้ของนั <Hi> courtesy, ้นบกของัน <rice> ส <iv ere language> okay, ิเดแต่ของถือใจมันเกิดพว่งโกรธพุ่มเฉียดถึงมากว่าผู้อื่นมาว่าให้หน้าผู้เกิดถือตัวนี้อันนี้มันเป็นกิเลสตอนมันว่าเข้าโกรธตีถือถือกว้มถือมันก็ถืออยู่แก่มันบวถือใจเข้งเข้าแต่เข้าใจเข้าบวถือมันจังโกรธ มันโกรแสดงว่ามันบกริยากจะสั่งปัญหาให้ผูบาดฌานสนั่ใจเพราะมันยูนัําเป็นไเปนยูวสบายมันสํานามน้องเดียวกันผมก็เคยบอกพี่ไก่เนี่ยตํหนามน้องเดียวกันย่นขี้หินผมล้มเมื่อกลั้นเคลื่อนเวทผู้บาดจานท่นเป็นเป็นคนผูใหญ่อยู่หนีกับใครถ้าท่นเป็นน้องกขาว่าได้ห่อติไปทะเลาะกันเล็กเล็กน้อยน้อยยิ่งหลายคนก็ได้คิดไป นั่นไปเป็นรางวนลน้ำเผาต่างๆต่างปัญหาใหเป็นนักใก่ไออดเอาฮานุฮานหไอไอเอาไห้อาไขกันการให้อาไข้กันมันเป็นมหาโมฆะเลยหรือต้องกันก็เป็นซุปบริแครละไข่ภาวนากันง่ายแต่แม่บริแครละไข่กันภาวนามก็ขคงดเห็นอั่างเจริญหัวนั่นป็ได้สรางคนว่า ผมไม่ค่อยจะบอกอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าตังต้งใจภาวนามาอยู่กับูบาอาจารย์มหาอยางได้ผูบาอาจารย์มันหาเงาโกเทตโกค่อยเงินโกขํามได้ตลาดดิเป็นค่อยเขามีเงินเอาไปเสือกใส่ผู้บาอาจารย์ น, ย น, อ น, น, อยน อ, อ, องาอาาแสวงหาแจกหลวเแจกตายจังหวัดหนึ่งมันมีเจ้าองค์เมื่อไดนมาอยู่น้ำฝนสมวนตั้งใจหลายอบก็ตั้งใจภาวนาะ สิบประมามันลงรับไปแล้วจั well ิงๆเส้นดายน้ำหลังเด็กผู้บ่าอาจารย์อยู่ห้องบริษัทต่างใจเวลามันเกิดขัดข้องมากตอหน้าบบแจกโบตกจะสิไปบ่อยคุณได้ฟังคุณได้นั่นกมันก็ประคัใจบ่ก็ประคับใจเพราะว่าห้องบัเสือแต่ห้องเสือถือผู้บายอาจารย์ต่างใจทังทุงเที่ยงวันหน้าเดินจมกรมบดมือบดขึ้นกระไดตัวบดมือกระได เปแต่ฉันยงันแหลวหอนปัส ต, ตัผมเคเหตุอยู่ดงขึ้นไปแก่ซ้ำปุมซ้ปุม เ, เดินสอดเสียงรบกตายนี่นะเนี่ยโบ เ, เมันเดือบินมันเงดีมันผ้ออนนข้าว่าบูดีมันังเพื่อนอ่านดังโผลน้ำมวอขึ้นเขียดมันก็องมีค้นดีก็ไตัวนี้ข้าาดีอย่างไรแล้วมันต้องมีข้นดีแน่จะของ ผู้อื่นบว่าดีรยกเทามันเปเย็นใจเทามีคนดีมมีคนอดีต่ก็อย่างดีัคิดอบาอยู่ือบอก่วัรือบตอนนั้นไม่ป็นเนื้อมาว่มีกระดูกเนื้อมสถิพนีแล้วกัสราทวัดเปวดอนไรออมาแล้วมาถึงไนี่ได้ คือจับอนีก็เดี๋ยว